เาต้องสำรวมใจดีๆเพราะเป็นเช้า ว, วันสุดท้ายจริงๆแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจมีความศรัทธาเลื่อมใสมีความกระตือรือร้นที่จะฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะใต้ต้นศรีมหาโพนี้เป็นที่ตัดสรุ้ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ด้วยนะ ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าของเราอันนี้แหละเป็นความอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาของเราในศาสดาของเราแล้วธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก็เป็นเหมือนกันทุกพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทบทวนคือใช้ใจพิจารณา เลียวมณสิการประมวลเรื่องราวที่พระองค์ตัดสู้แล้วก็เข้าไปสู่ใจของพระองค์แล้วก็อาศัยท่ไทยหรือจิตใจที่บริสุทธิ์หมดจดนี้ทบทวนกระแสะของธรรมที่พระองค์ได้ตัดสู้มาเริ่มต้นด้วยคําว่าอาวิชชาความหลงหลงในที่นี้คือไม่รู้ในอริยสัจสจริงๆแล้วความหลงอวิชชาตัวนี้ก็คือความไม่รู้ ไม่รู้ในที่นี้คือไม่รู้แจ้งในอริยสัจสิทธิหมายความว่าไม่รู้ในเรื่องของขันห้าอุปทานในขันต่างห้านี่แหละคือตัวทุกไม่รู้ว่านี้คือทุกไม่รู้ว่ากายกับใจของตัวเองนี้แหละคือกระแสแห่งทุกก็คือก้อนทุกคือกองทุกทุกในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่กิรังยั่งยืน มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระมันทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชา ม, มันไม่ได้มันหมายความว่าอย่างนี้ไม่ได้ว่ามันทุกทางใจอย่างเดียวหมายว่าตัวเนี้ยไอ้ขันห้าที่เราคองอยู่นี้ที่เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดนี้ชาวโลกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลงยึดติดขอ้อว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นของเราเป็นตัวเราชนิดเหนียวแน่น เนียวแน่นมั่นคงชนิดที่ถอดถอนออกมาโดยธรรมดาไม่ได้นอกจากใช้อริยมรคคือทางออกจากทุกเท่านั้นทางออกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นทุกอริยสัจก็คือไม่รู้ความจรงิงจนหลงยึดมั่นคือมั่นในกายในใจของตัวเองหรือในอุปเป็นอุปทานในขันทั้งห้านี้ ไม่รู้ว่ามันเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ก็เลยไปยึดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นสัตว์บุคคลแล้วก็ก่กอเรื่องเล่ามากมายทําเพื่อตัวตนทําเพื่อเราทําเพื่อพวก้องของเราทําเพื่อลูกของเราทํเาทเพื่อสามีภรรยาของเราทําเพื่อพ่อแม่ของเรามีเรามีเราอยู่ทั้งหมดมีอะไรก็มีใครมาแตะมาต้องบ้านเราเรือนเรารถเราเครื่องใช้ไม้สอยของเราเป็นทุกข์ได้หมดเลยที่นี่ เพราเริ่มต้นตรงอวิธานี้ตรงที่ไม่รู้ความจริงนี้ว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่กระแสของความเปลี่ยนแปลงเป็นแค่กระแสของชีวิตกระแสของชีวิตนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดูร่างกายของเราตั้งแต่อยู่ในท้องนิดเดียวแล้วแตทีแรกมาก็ไม่รู้มาจากไหนด้วย ถาพ่อท้าดแม่กันนิดเดียวไปเจอกันแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมามีเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารแล้วก็เป็นกระแสของชีวิตค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเจริญเติบโตขึ้นจากนั้นก็ค่อยการเจริญเติบโตนี้ค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนีความจริงก็ปรากฏอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นด้วยใจ ก็ยังมีอุปทานอยู่เหมือนเดิมทั้งๆ ท, ท, ที่ได้ยินใน้ฟังว่าไม่ใช่ของเราทั้งที่เห็นอยู่ญาติพี่น้องบางคนก็ตายไปเพื่อนฝูงตายไปคนใกล้ชิดสนิทสนมตายไปคนที่นั่นที่นี่ตายไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ไม่เข้าไปถึงใจเราเราก็ยังมีอุปทานหลงว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูอวิชชาอย่าว่ามันหนานแน่นขนาดไหนในใจเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่อื่น เพราะผู้ย่าวยิ่งประมวลเข้ามาว่าเริ่มต้นด้วยเพราะความมีอวิชชาความหลงยึดติดข้องว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเมื่อมีตัวเรามีของเราก็มีพักพวกของเรามีเครื่องใช้ไม้สอยก็ของเราตัวเรานี้ขยายออกไปเราจึงมีทุกข์มากมีทุกข์มากเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยก็เป็นเราเป็นของเราสามีพันยาเป็นของเราลูกของเรา ลุงป้าหน้าอาของเราเพื่อนฝูงของเราคนรักของเราพี่น้องของเราประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีเราไปหมดเลยตัวตนของเรานี้มันออกไปครอบคุมถึงทั้งหลายแล้วก็เริ่มมีอุปท า, านในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ย้อนกลับเข้ามาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์สรุปแล้วความทุกข์ไปจากอุปท า, านในขันทั้งหนี้ เริ่มตั้งแต่ร่างกายของเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันก็เป็นกระแสของความเกิดดับเหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้ในข้างในอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็ดูภายนอกมันก็ชลาภาพลงไปมันก็เริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปสุดโทมลงไปเสื่อมลงไปแต่ว่าเราก็ยังมีอุปทานหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นใจก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิด คิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเดี๋ยวว่เกิดแล้วก็ดับไปคิดดีคิดไม่ดีก็เดี๋ยวก็เกิดดับไปเราก็หลงว่าเป็นตัวเราคิดไม่ดีก็เป็นเราคิดไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ทำอะไรลงไปเราก็ว่าเป็นเราทําเราทําไม่ดีก็ว่าเราทําไม่ดีเราทําดีก็เราทําดีมันมีตัวตนอยู่ตลอดเลยแล้วก็เอาเข้ามาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นตัวอวิชชาจริงๆนี้ ก็คือหลงว่ามีตัวเราเป็นของเราอย่างหนาแ น, น่นเพราะมันมาจากอุปาทานนั่นเองเมื่อไม่รู้ในทุกก็ไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกจริงๆอะ่ะเมื่อหลงแล้วก็มีเราแล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอยากให้มันได้แดงใจเราต้องการนีมันก็เป็นเหตุทาให้เกิดทุกมันมีอุปาทาน มีอุปาทานแล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันมีความอยากเป็นเหตุแห่งทุกข์อุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์ความหลงเป็นเหตุแห่งทุกข์กิเลตันหาอุปาทานนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อวิชากิเลตันหาอุปาทานพวกนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทำให้เราทุกข์ทางใจนะที่นี่ทีแรกอะไอพวกกายพวกอะไรนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสความเปลี่ยนแปลง มันเป็นทุกโดยสภาวะสภาพที่ไร้สาระสภาพที่มันมีความเปลี่ยนแปลงสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้ตลอดกาลนานเหมือนอย่างที่ใจเราต้องการไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนี้คือมันเป็นกระแสะของความทุกข์แต่ทีนี้เราไม่รู้ความจริงตรงนี้เราก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการคราวนี้ความทุกข์มันเข้ามาฝังอยู่ในจิตเข้ามากุ้มลุมจิตทาให้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมา บางครั้งบางคราวนี้ความทุกข์มันรุนแรงมากบางทีเราไม่อยากให้สามีเราตายหรือลูกเราตายแต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นกระแสของทุกข์ถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่เรายอมรับไม่ได้คนที่ยอมรับไม่ได้คืออุปทานมันเหนียวแน่นมากหนาแน่นมากมั่นคงมากอยากให้สิ่งนั้นมั่นคงกิรังยั่งยืนดูสี่เนี่ย แต่ความเป็นจริงมันเป็นนิดจังมันเปลี่ยนแปลงแต่ภายในจิตของแต่ละคนนี่อยากให้มันมั่นคงไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาสลายไปทีนี้กระแสความจริงกับกระแสจิตที่ความอยากความต้องการภายในจิตกระแสของความลุ่มหลงภายในจิตนี้มันไม่ตรงกันไม่เป็นอันเดียวกันความจริงมันต้องเปลี่ยนแปลงมีลูกลูกก็พัพราจากไปได้มีสามีมีพัญญาเขาก็พัฒนาจากไปได้เปลี่ยนแปลงไปได้ บางทีเขารักเราอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนแปลงไปรักคนใหม่ได้ไปอยู่กับคนใหม่ได้เขาเคยรักเราเขาก็ทิ้งเราได้ถ้าหากว่าเราไปยึดติดอย่าให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอยู่ตลอดไปเราก็ทุกตลอดไปแต่ถ้าเราเตรียมใจได้ว่ามันไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเขาจะแสดงความรักเราเอาอกเอาใจเราขนาดไหนมันก็ไม่แน่เพราะจิตของเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงกายของเขาก็เปลี่ยนแปลง ลูกเราก็เหมือนกันเราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการขนาดไหนเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราอยากให้เขาเป็นอย่างเราอยากให้ได้ดั่งใจของเราแต่เขาต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาอันนี้คือความจริงถ้าเราไม่รู้ความจริงตรงนี้เราก็เป็นทุกข์เพราะนั้นพวกวิาวชาเนี่ยมันจีบครอบคุมไปหมดเลยมีอวทานในตัวเราแล้วก็ไปยึดติดข้องในสิ่งอื่นด้วย ไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นบางคนเนี่ยจึงทุกข์มากสามีตายมีคนเขาเล่าสามีตายแล้วโอ้โหลูกไม่ขึ้นเลยอ่ะพอได้ยินข่าวว่าสามีตายเป็นลมลมพับลงไปเดียวนั้นเลยเรียวแรงก็หายไปหมดเลยกําลังกายกาลังใจนี่หายไปหมดนี่แหละอิทธิพลของความยึดติดข้องอุปทานในขันทางหน้าเนี่มันรุนแรงมาก มันมีตัวตนมีตัวเรามีของเราแล้วก็ไปเที่ยวยึดติดข้องในสิ่งอื่นว่าเป็นของของเราแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นนี่นี่คือกระแสความจริงกับกระแสความอยากความต้องการภายในจิตไม่ตรงกันเลยมันขัดแย้งกันมันก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาในจิตของเราคนี้มันมาทุกข์ในจิตแล้วที่นี่ทีนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาที่นี่ พยายามที่จะสอนความจริงให้รู้ความจริงให้ได้ไม่งั้นคุณทุกข์แน่เมื่อเกิดมาแล้วมีขันห้าแล้วมีอุปทานในขันต่างาต้องทุกข์แน่นอนเกิดชาติไหนพบใดเมื่อไหร่ก็ตามถ้ายังมีอุปทานในขันทั้งานี้ต้องมีทุกข์พระพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะตัดสรู้ความจริงตรงนี้ให้รู้ความจริงว่ามันทุกข์มาจากไหนทีนี้พระองค์ตัดสรู้แล้วรู้แล้วแจ้งแล้วชัดแล้วก็เอามาประทานคําสอนเอาไว้ ที่ท่านมาตัดสรุต้ตรงนี้แหละก็คือมารู้ในอริยสัจสีนี้รู้ว่ามีทุกข์และรู้เหตุแห่งทุกข์รู้ทุกขนิโรธคือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจหมายว่าสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธหมายว่าความดับแห่งทุกข์ทุกขนิโรธทางมินีปฏิปทาทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์ดับไปจากจิตมีพระพุทธเจ้าตัดสรูต้ตรงนี้เลย เพราะนั้นขั้นการได้ยินได้ฟังความจริงเรามาถึงที่นี่แล้วก็เป็นอยู่ในขั้นตอนของอริยมรรคเหมือนกันเรียกว่าขั้นตอนทุกขาริโรทัศามินีปฏิบัติขั้นดําเนินการเพื่อจะออกจากทุกข์เราก็ต้องมารับฟังความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ซะก่อนสัมมาทิฏฐิขั้นการฟังต้องมีซะก่อนรู้ความจริงฟังสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันเป็นสัจธรรม สิ่งที่พระเจ้าตรัสสรู้นี่แหละคือความจริงสูงสุดแล้วเมื่อเรามาถึงนี่แล้วถ้าได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสสรู้สิ่งที่พระ อ, องค์อยากจะประทานคําสอนให้สัตว์โลกได้เข้าไปรับรู้จะประเสริฐที่สุดแล้วเป็นโชคลาภอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่ของเราที่ได้มาอย่างสถาบันที่แหงนี้ได้มายัางประเทศอินเดียนี้ถ้ามาแล้วก็ มีการกราบการไหว้ไปตามธรรมเนียมเขาก็ยังอยู่ในระดับนั้นกราบไหว้ที่ไหนก็ได้มีการสวดมนต์มีการอ้อนวอนขอพรนั้นก็นไปตามระดับกําลังของสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าความเป็นจริงแล้วต้องมารู้ว่ามันเป็นทุกข์มันมาจากไหนเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงทําไมจึงต้องมีทุกข์ทุกชีวิตทําไมต้องมีทุกข์นอกจากผู้ที่ รู้ความจริงตัดสู้ความจริงบรรลุความจริงได้แล้วทุกก็ไม่เกิดขึ้นที่จิตใจใจมันก็โปง่งโล่งเบาสบายไม่มีทุกข์ทุกข์ก็น้อยหน่อยทุกทางภาพทางขันเท่านั้นเองที่ซึ่งต้องรับผิดชอบไปเพราะออนั้นสรุปเลยว่าเพราะไม่รู้ในอริยสัจสจึงมีอุปทานในขันทางห้าไม่รู้ว่าอุปทานในขันทางห้านี้แหละคือตัวทุกข์หลงยึดติดข้อง แล้วก็อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ความจริงมันต้องเปลี่ยนแปลงความจริงมันบังคับบัญชาไม่ได้เราก็อยากบังคับให้เป็นอย่างที่เราต้องการความจริงมันทนอยู่ไม่ได้เราก็อยากให้ทนอยู่ตลอดไปความจริงมันต้องเปลี่ยนแปลงเราก็อยากให้มั่นคงเที่ยงอยากให้มันเที่ยงถ้ามันไม่ได้ดังใจก็อยากให้มันขาดศูนไปเลยอยากให้มันสลายไปเลยนี่มีแต่ความหลงผิด อยู่ในจิตของแต่ละคนมันจึงเป็นทุกข์อะไรที่ไม่ได้ดังใจก็ปฏิเสธมันอยากให้มันสูญไปอยากให้มันสลายไปแต่พระเจ้าก็พยายามยังสอนว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองอยากให้นหลงยึดมันอยากให้ยาอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอย่ามีความอยากเลยพยายามให้มีสติรู้ทันมันไว้ให้รู้ทันมันไวเนี่ย oh. นะเพราะฉะนั้นต้นตอของมันเนี่ยมันจึงมาจากอวิชชา อวิชาก็คือความหลงผิดไม่รู้แจ้งในอริยสัจสิไม่รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นี่มันมาจากอุปทานในขันธ์ทั้งห้าที่เราหลงยึดติดคล้องชนิดหนาแน่นเหนียวแน่นมั่นคงยั่งยืนแม่รู้แล้วก็ยังไม่อยากปล่อยเสียดายดูที่ขนาดนั้นเลยนะเสียดายอะไรอาวอ์เนี่ยทั้งรู้แล้วก็ยังไม่อยากปล่อย มันก็ยังเป็นของเราอยู่มันก็ยังดีอยู่มันก็เหมือนกับเรามีความสุขอยู่นี่แหละที่พระเจ้าตัดสั้แล้วก็ไม่อยากสอนอีกด้วยนะเกิดขึ้นเองพระเจ้าบอกแล้วก็เป็นญาณชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในพระไทยของพระองค์เกิดเองด้วยขอว ง, งทบทวนเรื่องการตัดสู้เนี่ยว่าพระตัดสั้อะไรอ๋อเป็นเพราะว่ามีความหลงผิดนี่เองเนี้อวิชานี่เองแล้วทําให้มีอุปทานในขันทั้งห้านี้เองเนี่ยเพราะนั้นต้องหาทางออกก็คือต้อง บอกทางให้ก็คือต้องมีสตินะจะริ่มสติให้มากๆไว้จนกระทั่ ง, งมีสมาธิขึ้นมานะจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรมาครอบงำแล้วพอมันเป็นสมาธิขึ้นมาอะไรที่เคยครอบงำจิตมันสลายไปมันดับไปหมดแล้วใจมันถึงจะส่องเข้ามาเห็นข้างในเหล่านี้ว่าเป็นแค่กระแสงความเกิดดับกระแสงความเปลี่ยนแปลงมันจึงจะถอนอุปทานได้ก็ไม่อยากเอาอีกงอะ่ะ ก็เหมือนเหนื่อยยากลาบากมันไม่ได้อะการงานเราก็เยอะภารกิจเราก็เยอะไม่มีเวลาเนี่ยมันก็มีข้อแก้ตัวไปเรื่อยๆแต่พู้เจ้าเวลาตัดสู่แล้วโอ้โหนี่มันทุกข์ขนานี้เลยนะเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วไม่ทุกข์ไม่มีโอ้ยต้องหาทางออกกันแล้วมันเหมือนมันไฟมันไหมอยู่บนศีรษะไฟไหมบนเสือ้อบนผ้าต้องรีบดับแล้วต้องรีบดับไฟแล้ว เนี่ยผู้เจ้าเห็นว่ามันควรจะดับไฟซะก่อนแต่เราก็เห็นว่าไปทําอย่างอื่นซะก่อนไปทําอย่างอื่นซะก่อนนี่นี่มันสวนทางกับผู้เจ้าอย่างนี้แล้วผู้เจ้าก็เลยทบทวนอีกเหมือนกันอ่ะสดาต่อมาก็ทบทวนโหทบทวนป้าปโอ้โหโสัตว์โลกนี้มันมีแต่ความอาลัยเนี่ยเพ้อเพลินอยู่ความอาลัยลื่นเลินอยู่ความอาลัยรุ่มหลงอยู่ความอาลัยอ๋อแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงอ่ะ สอนก็นเหนื่อยต่อเปล่าเสียเวลาเปล่าดูสิขนาดสร้างบารมีมาเพื่อตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้ายังนึกอย่างนี้ขึ้นมาเลยเอาเราลองย้อนมาดูซิว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าผู้เจ้าเนี่ยชัดเจนแล้วว่าอุปทานในคันตะห่านนี่แหละคือตัวทุกยังไงยังไงต้องมาขออุปทานให้ได้ถามใจเราดูว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นบักบันขนาดไหนที่จะรู้ตามพระพุทธเจ้า ที่จะบรรลุตามพระพุทธเจ้าที่จะถอนอุปทานออกไปให้หมดสิ้นจากใจเราเราพร้อมไหมน่ะต้องมาถามอีกถ้าไม่พร้อมก็แสดงว่ายังมีความอาลัยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างมันก็เป็นจริงอย่างที่พระเจ้าทรงทบทวนตรวจสอบดูวโอสัตว์โลกนี่ลื่นเลื่อมอยู่กับความอาลัยหลงอยู่กับความอาลัยเนี่ยมัวเมาอยู่กับความอาลัยมีแต่เรื่องทําให้อาลัยอาวรณุ่มหลงอยู่ ถ้าเราไปสอนนี่เหนื่อยเปล่าแน่เลยอ่ะสอนแล้วเขาไม่เอามันรู้ได้ยากอ่ะมันไม่ใช่ว่าไอคนทั่วไปจะรู้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของบัณฑิตของผู้มีปัญญาเพราะมันสุขุมลุ่มลึกมากคำพิรภาพมากมันต้องรู้ด้วยใจด้วยใจที่มีสติแล้วก็ต้องมีสมาธิสมาธิก็ต้องเข้าที่เข้าทางเลยนะต้องตั้งมั่นด้วย ไม่ใชส่สมาธิก็สมาธิแบบสงบเหมือนแต่ก่อนสมาธินี่ก็เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะให้กําลังของใจมั่นคงไม่สัดสายไปทางไหนและประหารได้แม้กระทั่งความฟุ้งซ่านความซัดสายของจิตใจแ น, แน่วแน่มั่นคงอะไรเกิดขึ้นจิตจึงจะเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปชีวิตนี้เป็นแค่กระแสงความเกิดดับเท่านั้นรูน้ก็ยาก เห็นก็ยากเข้าใจยากถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็วางไม่ได้และอาสวะกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นมากว่าใครที่อยากออกจากทุกข์จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็คือจเจริญมรรคเจริญให้ยิ่งทุกข์ขัดนิโรธคาม่มีปฏิปทาเจริญให้ยิ่งไม่ต้องอยากแต่เจริญให้ยิ่งปฏิบัติให้มาก เริ่มตั้งแต่สติควบคุมจิตให้ได้พยายามมีสติทุกเรียบที่ผู้เจ้าจึงต้องเริ่มต้นว่าออต้องมีศีลนะสำรวมการกระทำนะการกระทาของตัวเองนี่ต้องสำรวมให้มากมากนะก็คือว่าให้มันถูกต้องคาว่าศีลของผู้เจ้านี่มันประมวลเข้ามาหมดเลยความประพฤติก็ถูกต้องการไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็เพื่อรักษาใจของตัวเองเอาไว้ สํารวมในพระปาติโมก็คือศีลของตัวเองอย่างพระก็227รอยโยมก็ศีลหศีล8สา ม, มเณรก็ศีลส0บตามฐานะตามสภาพเมื่อสํารวมเข้ามาแล้วต้องตรวจสอบดูความประพฤติก็ต้องถูกต้องด้วยเป็นธรรมการไปเกี่ยวข้องจะอะไรก็ต้องเพื่อรักษาใจของตัวเองไม่ให้จิตใจสับส่ายฟุง้งซ่านไปทางไหนดูซิพระพุทเจ้านี่พูดเรื่องศีลก็ต้องละเอียดเล่าเอาด้วย เม่ใช่ว่าศีลหนในตัวหนังสือห้าข้อแเรารักษาห้าข้อนี้ก็เป็นศีลเกิดขึ้นแล้วแต่ศีลในรายละเอียดของคุเจ้านั้นรวมทั้งสิกขาบทแม้เล็กน้อยเห็นโทษไทยแม้เล็กน้อยเลยทําแล้วโอ้อันนี้มันดีมันมันไม่ดีมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจไม่เอาเลยเนี่ยขนาดนั้นเลยนะพุณเจ้าย้ําเรื่องศีลย้ําเรื่องนี้อย่างนี้เลยเพราะนั้นมันจึงประมาทไม่ได้เลยเพราะถ้าถ้าใครจะเจ้าเนี่ย ต้องสำรวมระวังแล้วเรื่องศีลนี่ก็ต้องฟังให้ดีเลยสำรวมในพระปาฏิโมกข์มีความประพฤติถูกต้องการเกี่ยวข้องไม่ว่าทางกายตาจะไปดูอะไรก็ต้องคํานวณดูว่ามันทําให้ใจเราฟุ้งั่านไหมมันทําให้ตัณหากิเลตันหาเราฟูขึ้นมาไหมมันทําให้อุปทานของเราเหนียวแน่นขึ้นมาไหม มันทําให้เราหลงติดข้องเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามากุ้มลุมจิตเราไหมขนาดนั้นเลยนะต้องทบทวนดูตลอดเลยนะเนี่ยเพราะงั้นการดําเนินชีวิตของเราถ้าใครอยากจะออกจากทุกข์ก็ต้องฟังให้ดีว่าพระเจ้าสอนอยังไงอาจาระสัมปนโอให้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติและความประพฤติต้องดีงามถูกเป็นธรรมเลยโพจาระสัมปนโอการไปเกี่ยวข้องทางร่างกายการไปดูไปเห็น การไปเกี่ยวข้องก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันมีอิทธิพลต่อใจเราเป็นค่าศัตรูต่อใจเราขนาดนั้นเลยนะเห็นโทษไทยัยเห็นไทยในโทษแม้เล็กน้อยแต่มันทําแล้วมันเป็นโทษต่อใจเราเล็กน้อยไม่เอาไม่เอาตัดมันเลยตั้งแต่ต้นลมเลยทําแล้วมันนําความเดือดร้อนมาทีหลังไม่เอาถ้าใครทําได้นีม่มันเริ่มตรงทางตั้งแต่ทีแรกแล้ว ถ้าใครยังทํไงาไม่ได้สู้กับกระแสของกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องทุกต่อไปอีกยาวนานเล็กน้อยไม่ใช่ง่ายเลยนะนี่แสดงให้เห็นว่ามันต้องทุกีกยาวนานเพราะเราไม่เอาได้ยินได้ฟังรู้เข้าใจแล้วก็ยังไม่เอาอีกยังดื้อด้านทําตามกิเลสตัณหาบาธานอีกนั่นคือเหตุแห่งทุกข์พุทธเจ้าก็บอกแล้วก็ยังไปฝื้นทำเอาอย่างนี้มันมันควรจะตําหนิใครควรจะโทษใคร ถ้ไม่โทษใจเราที่มันดื้อมันด้านไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าไปทําตามกิเลสตัณหาประทานไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้กับใจตัวเองแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดประมาณไม่ได้ทั้งที่พบแล้วคําสอนพระพุทธเจ้ายิ่งเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วทำมาทาม่าพระเจ้าทรงประกาศนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วนี่แล้วยังไม่เอาอีกโออย่างนี้จะให้ว่ายังไงอะ่ะ พระพุท e x t ยังทรงผู้ชนหยุดใจใพระ อ, องค์ตำหนิว่าอย่างไรโมฆาบุรุษคนเปล่านี่นี่คือคำพูดที่รุนแรงที่สุดแล้วนะคนว่างเปล่าคนฟูย์เปล่าคนไม่ได้มีสาระอะไรได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามโมฆาบุรุษคนที่รู้คำพีอะไรมากมายพระองค์ก็เรียกว่าใบลานเปล่า อ, อย่างนี้เลยนะนี่นี่คือคำพูดโมฆบุรุษเนี่ย หมายว่ามันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรหรอกถึงจะรู้อะไรมากมายก็ตามเถอะแต่ก็ยังไม่สามารถดับทุกข์ให้กับตัวเองยังไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองได้อยู่เนี่ยพระนั้นผู้เจ้าจึงประมวลเข้ามาแล้วตรวจสอบเต็มที่เลยอ๋อเนี่ยเพราะคนมีความหลงอย่างนี้เองเนี่ยทีนี้ผู้เจ้าก็บอกทางเอาไว้ให้ว่าถ้าจะออกนะเริ่มต้นตั้งแต่สำรวมระวังศีลศีลก็ต้อง เริ่ตั้งแต่สัมรวมในสีงวงตัวเองว่าสีห์้าสัมรวมแล้วยังไม่พออาจาะละซ้ำปันโนถึงพร้อมด้วยอาจาระความประพฤติโคจระซ้ำปันโนถึงพร้อมด้วยความสัมรวมระวังการไปเกี่ยวข้องทางกายทางใจก็ต้องไม่ส่งใจไปคิดนึกในเรื่องที่มันก่อทุกข์โทษขึ้นในจิตใจของตัวเองนี่สัมรวมขนาดนั้นเลยนะเห็นไทยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศทขาบททั้งหลาย เอามาประพฤติปฏิบัติคำว่ า, าสมาทานเนี่ยไม่ต้องไปขอใครตั้งใจจะสมาทานคือเอามาปฏิบัติรับเข้ามาปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเราเองด้วยความสมัครใจของเราเองด้วยความเห็นโทษในใจของเราเองนี่เริ่มต้นไดยสิ้นก็ต้องละเอียดแบบนี้ด้วยนะนี่คนที่จะออกจากทุกข์ต้องแบบนี้จากนั้นก็ให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมเขา้าาหรือจประมาณในการบริโภค การเข้ารับประทานข้าวปลาอาหารเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆรู้จักประมาณรู้จักความพอดีถ้าประมวลเข้ามาหมดอย่างนี้นะ่ามีโอกาสแล้วทุกิยาบทถือเป็นการปฏิบัติธรรมมีสติสัมปัชัญญะมีโอกาสก็ต้องเดินจงกรมนั่งภาวนาเพื่อให้สติสัมปชัญญะเรามีกําลังเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใจตั้งมัน่นเวลาทําความเพียรก็เหมือนกันต้องรัดนิวรณ์ให้ได้อย่างขนาดนี้มีนิวรณ์ไหมมีนิวรณ์ไหมมีนิวรณ์ต้องเอา ให้มันผ่านไปให้ได้เราต้องสร้างกำลังใจเราขึ้นมาความพยายามในจิตของเรามันนี้นี่ผมควรลืมตาลืมตาเลยอย่าให้มันหลับอย่าให้มันน่วงซึมครอบงำเราได้ควรอาหารร่างกายให้เลือดนมวิ่งให้ร่างกายมันกระพี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาก็ทําควรล้างหน้าล้างตาควรอาบน้ําบแับทำหมดทุกอย่างเพื่อให้สติสัมปชัญญะเรามีกํำลังขนาดนั้นเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้ว เราต้องจริงจังมุ่งมั่นบัก บ, บักคิดดูขนาดที่พู้เจ้าตัดสนุแล้วทบทวนเรียบร้อยแล้วพิจารณาชาวโลกนี่โอ้ตายแล้วชาวโลกนี่รุ่มหลงอยู่ความมาลัยเพลิดเพลินอยู่ความมาลัยลื่นเลิศบันเทิงอยู่ความอาลัยติดข้องไปหมดเลยแล้วเราไปสอนเนี่ยเขาจะเอาเหรอใครเราจะมารู้ได้มันยากละเอียดขนาดนี้นี่พู้เจ้าทบทวนเลยอย่างนี้เลย ทำให้ท้อพระทัยก็ยัยงดีว่าสามบุดีพรมรู้ความคิดของพระพุทธเจ้าอุทานยึ้นมาแล้วโลกนี้สิบหายแล้วหนอพระตถาคตเจ้าไม่แสดงธรรมแล้วชาวโลกจะมืดมนอนตะการแล้วไม่ได้แล้วเราต้องไปทูลกราบทูลณราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยความเป็นห่วงเพราะท่านเป็นอน า, าณาธรรมอยูแล้วอยู่ชั้นสุท้า ว, ว่าพรมแล้ว ก็หายวับลรงอ่ะก็มาทูลเชิญอาราถนาให้สแสดงทรรผู้มีปัญญามีผู้มีทุลีในดวงตาน้อยพอจะรู้ธรรมต้องมีเป็นแน่แล้วก็ย้ำ้วยว่าเดี๋ยวนี้คำสอนในแคว้นมคตก็มีมากแต่ว่าเป็นคำสอนที่ไม่ได้มาจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจบเป็นคำสอนที่เกือ่อเรื่ยมนทินสัตว์โลกก็ยิ่งรุ่มหลงมากขอพระ อ, องค์ทรงสแสดงธรรมเถอะ เพราะธรรมะของพระ อ, องค์นี้สะอาดบริสุทธิ์หมดจบมาจากพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจบจริงก็ท่านเป็นอดาณามีแล้วนี่ก็รู้เข้าใจสิเพราะเตรียมที่จะบรรลุธรรมเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยสับโลกขณะนั้นพระเจ้า ก, ก็ใช้ยานของพระ อ, องค์ตรวจสอบทันทีเลยมีผู้มาทูลอาลัทธ์มแล้วพระ อ, องค์ก็อาศัยยานของพระ อ, องค์ตรวจสอบดูก็รู้ขึ้นมาจริงๆด้วยว่าอ๋อ บางคนมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยบางคนมีปัญญาพอที่จะรู้ธรรมของพระ อ, องค์ได้แม่บางคนอินทรีแก่กล้าบรรลุธรรมได้เร็วบางคนอินทรีอ่อนบนรรลุธรรมได้ช้าบางคนถ้าไมบรรลุอะไรก็เป็นบรัรมีสร้างบา ร, รมีไปอ่ะบางคนอาการดีบางคนอาการเร็วเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี้บางคนก็มีอะไรกุ้มลุมอะไรมากมายอันนี้มันเป็นเพราะว่า นี่แหละคือมันติดตัวเรามาบางคนพเขาผู้เจ้าตรวจสอบอยู่แล้วคนถ้ามีอุปสรรคมีอะไรก็ต้องสู้เพราะนั่นเป็นของเราผู้เจ้าก็ตรวจสอบดูตั้งแต่ที่แรกแล้วะบางคนจะมีอาการดีดีคือไม่มีอะไรบรบกวนอ่ะปฏิบัติแล้วก็เห็นความจริงไปปล่อยวางไปได้เรื่อยๆบางคนอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายก่ยกองนี่ผู้เจ้าเห็นตั้งแต่ที่แรกแล้วบางคนอาการดีบางคนอาการเร็วบางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้า าก็ต้องอดทนปฏิบัติไปเรารู้ช้าก็ต้องพยายามปฏิบัติไปคนรู้เร็วก็ไม่ประมาทพยายามปฏิบัติไปบางคนเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในปณรโลกบางคนไม่เห็นภัยในปณรโลกอย่างพวกเรานี่เห็นภัยในปณรโลกเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุกข์อยากออกจากทุกข์ สิ่ง น, นี้พระเจ้าก็ตรวจสอบดูหมดแล้วแล้วก็รู้เลยว่าคนที่บรรลุเร็วก็มีลดหลั่นกันลงมาอย่างเหมือนบัวสามเหล่ามีพวกก็ตรวจสอบหลังจากที่ตัดสินุแล้วคอนั้นสรุปแล้ ว, น ส, นลวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็คือรู้เหตุละที่มาของทุกเนี่ยเริ่มต้นด้วยความไม่รู้ในยศศี ไม่รู้ว่ากายกระใจของเรานี่แหละคือก้อนทุกข์กองทุกข์เพราะว่ามันเป็นกระแสของความเกิดดับเป็นกระแสของชีวิตมันไม่ได้กินหลังยั่ยืนไม่สมควรที่จะจะมีอุท า, านหลงยึดมัน่นถือมัน่นมีตัวมี ต, มตนเจนกระทั่งมีเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาในใจแต่ว่าการที่จะออกจากทุกข์ต้องรู้ทางข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือมรรคเริ่มตั้งแต่ได้ยินได้ฟังได้ถูกให้ตรง รู้ทางออกจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติพยายามมีสติรักษาจิตใจคือให้จิตใจนี้มันมีความตั้งมั่นขึ้นมาเพื่อให้มันเห็นความจริงนีม่มันต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงใจขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านได้ยินได้ฟังนี้เราก็ได้ยินได้ฟังแล้วว่าต้องมีการรักษาศีลให้ละเอียดเข้าไป คำดมินซีตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบอารมณ์เวลาจะทำอะไรก็ตามบริโภคใช้สอยอะไรก็มีการสำรวมระวังหาความพอดีอยันเป็นเพิ่มพูณิเลตัมหาอุปาทานขึ้นมาเพราะนเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้ว่ามีสติัมปัจัญญทุกิยาบทือเป็นการปฏิบัติทอจากนั้นก็พยายามที่จะมีข้อปฏิบัติมีโอกาสก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้สติัมปัจัญญามีกาลัง ข้ามนิวรณ์ไปได้เมื่อข้ามนิวรณ์ไปได้จิตตั้งมั่นจึงจะรู้ความจริงได้นี่คือขั้นตอนที่ละเอียดขึ้นมาถ้าเราจะปฏิบัติเราต้องทบทวนให้เข้าใจแล้วก็ทําปฏิบัติให้มันตรงทางของพุทธเจ้าถ้าข้ามนิวรณ์ไปได้เห็นรู้ความจริงแล้วเนี่ยมรรคมันก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วมันจะปล่อยวางเองถ้ามันเห็นความจริงแล้วนี่เหตุแห่งทุกข์ก็จะดับไป เมื่อเห็นทุกข์ดับไปนิโรธก็แจ้งขึ้นมาทีแรกมันก็เป็นตะทางค่นิโรธซะก่อนไมา่ก็มาดับไปชั่วข่าวอย่างเราเห็นล่ะเพระว่าเราเห็นอะไรที่มันติดข้องทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าสติสัมปัญญะเรามีกําลังขึ้นมาปรับใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันเข้ามานี่เราจะเห็นมันหรือเราดึงเข้ามาได้แล้วส่องดูเห็นมันเห็นมันเป็นแค่สิ่งที่อาศัยจิตเราเกิดแล้วก็ดับไปหรือมันเป็นแค่อารมณ์ชนิดหนึ่ง ถ้าเราไม่มีอุปทานเราดูมันได้มันจะค่อยๆดับไปพอมันดับไปเราก็เห็นแล้วเอาจริงๆมันไม่มีตัวตนจริงที่เราเคยหลงว่าเป็นตัวเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มันกุ้มลุมจิตใจของเราจนเราเป็นทุกข์นั่นอ่ะจริงๆเป็นแค่อุปทานในจิตของเราเท่านั้นเองทีนี้พอรู้ว่าเป็นอุปทานก็ปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วมันก็ดับไปถ้าเห็นความดับไปของมันอย่างนี้ นั่นแหละคือเริ่มเป็นต่ทางฆาตมิลดแล้วมันไม่มากาะทุกข์ในจิตทีนี้มันมาใหม่อีกถ้าเรื่องเก่าๆมันมาใหม่มันเบาแล้วทีนี้เอารู้แล้วนี่เราเคยพิจารณาแล้วเราเคยเข้าใจแล้วนี่เมอมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเราก็ไม่ยึดมันถ้าเผลอไปยึดมันมั่งก็มีทุกข์ขึ้นมาอีกเอาๆนี่มันทุกข์อีกแล้วนี่ไม่ได้แล้วทุกตัวดูเอ้ามันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนี่มันเป็นอดีตไปแล้วนิน่ะ ก็เราตอนอดีตเราไม่รู้อะเราก็ทําไปอ่ะพอทําไปแล้วนี่ตอนนี้เรารู้แล้วเราจะไม่ทําแล้วเนี่ยก็ทําดีที่สุดได้ขนาดนี้แล้วจะให้ทํายังไงอีกอะมันก็มีเหตุผลขึ้นมาจริมีปัญญาขึ้นมามันก็วางได้อะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนเจ็บปวดทุกทรมานขนาดไหนอะยืบตาก็ทุกต่อเปล่าไม่มีประโยชน์อะไระก็เอามาเป็นบทเรียนเชียก็เอามาเป็นแบบฝึกหัด เพื่อแก้จิตของตัวเองขึ้นมามันก็เป็นทางออกจากทุกข์ได้เราไม่ไปมีอุปทานไปยึดมันให้มันเป็นทุกข์ซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็มีทางออกนะไม่ใช่ไม่มีทางออกเต่ว่าทางออกนั้นเราต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเราเองนมันจะให้คนอื่นเอาออกไม่ได้มันไม่เหมือนกับชาวโลกแล้วชาวโลกเขาต้องไปหาให้คนเอาออกไปหาหมอดู ไปหาลถน้ำมนต์ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นช่วยเหลือเอาออกมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องทางออกที่ถูกต้องต้องมามีข้อปฏิบัตินี้มาเจริญมรรคตามวิถีทางของพระพุทธเจ้าตามวิธีของพระพุทธเจ้ามันจึงต้องมาศึกษาเรื่องอริยมรรคอริยมรรคก็คือ ถ้าประมวลเข้ามาจริงๆแล้วต้องได้ยินได้ฟังทางของยุทให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วข่าวนี้มีสมาทิฏฐินำหน้าแล้วทีนี้ก็เริ่มปฏิบัติถ้ามีสัมมาสมาธินำหน้าแล้วนี่การปฏิบัติไม่ค่อยผิดไม่ค่อยหลงทางมีความแน่ใจแล้วการปฏิบัติที่ยากมันก็ไม่บางทีมันก็ไม่ามไมยากอย่างที่คิดพ่อมีทางออกเรามีหน้าที่สร้างเหตุเรื่อยไปสร้างเหตุเรื่อยไป เพรา ะ, ะมัดเจริญให้ยิ่งพระเจ้าก็สอนให้เจริญก็นี่คือสร้างเหตุเจริญมัดทุกคนก็พอรู้เข้าใจวิธีการหมดแล้วที่เรามาเนี่ยก็เหลืออย่างเดียวว่าให้เราตั้งใจปฏิบัติต่อไปจนกว่าที่เหตุมันจะสมบูรณ์เมื่อเหตุมันมันเพียงพอแล้วจิตของเราก็จะรู้ความจริงขึ้นมาแล้วจิตของเราจริงจะปล่อยวางสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้นั่นก็คือมารู้ว่า กระแสชีวิตของเราเป็นแค่กระแสความเกิดดับก็คือว่ามันไม่ไม่สมควรที่จะไปมีอุปทานในขันทั้างหน้า น, นี้เนี่ยเวลาปฏิบัติก็คือมาปฏิบัติเกี่ยวกับตัวเราเนอะที่นี่พอเวลาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันสมควรแล้วก็ให้มันสามารถมารับรู้ว่าร่างกายของเรานี้มันก็ไม่ใช่ของเราตลอดกาลนานไม่ใช่ของเราตลอดไปอย่าให้มันมีมาไม่มีอุปทานในเรื่องร่างกายเรื่องรูปปั้น แล้วก็ไม่มีอุปทานในเวทนาขันด้วยมันเจ็บมันปวดออกมาก็เอามาเป็นบทเรียนฝึกจิตใจของเรามันมีความทุกข์ทรมานบีบคั้นจิตใจก็ต้องพยายามมีสติเข้าไปเห็นมันเพื่อที่จะให้รู้ว่าอันนี้มันเกิดจากอุปทานความหลงผิดของเราเองก็คือให้เห็นว่ามันเป็นแค่ ค, ความเปลี่ยนแปลงอาการที่มันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเพราถ้าเห็นมันก็ต้องเห็นอย่างนี้สิลองดูก็ได้ว่าเรื่องเราที่มันทำให้เราเป็นทุกข์นี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นทุกข์ก็คือใจเรามันก็สร้างขึ้นมาเพราะความหลงผิดก็คือเราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะมีความพยาวขึ้นมาแต่ว่าความจริงมันก็เป็นไปอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันก็เริ่มขัดแย้งกันแล้วนี่ มันไม่ทุกก็ไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันแล้วมีความขัดท้องขึ้นในจิตแล้วนี่ยังไงยังไงก็เป็นทุกเนี่แน่อย่ที่ใช้มันก็คิดขึ้นมาได้อยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันเป็นอย่างที่มันเป็นอีกแล้วขัดแย้งขึ้นในจิตอีกแล้วเป็นทุกอีกแล้วเพราะมีอุปทานถ้าไม่แก้ตรงนี้มันแก้อะไรไม่ได้ต้องมาแก้ตรงนี้เพราะนั้นต้องให้จิตเนี่ยมันเข้าไปยั่งเข้าไปเห็น ไม่มีอะไรก็ต้องให้มาดูร่างกายของตัวเองแค่ได้ว่าเออนี่มันมันมันเราอาศัยมันอยู่เฉยๆนะมันไม่ใช่บังคับบัญชามันไม่ได้นะมันอยู่ตลอดไปนะนี่มันก็แก่ลงไปแก่งตอนนี้จะตายอยู่แล้วนะส่วนนั้นก็เริ่มบกพร่องแล้วนะเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วนะนั่นมันต้องต้องต้องมาถอนอุปทานในเรื่องร่างกายนี่รูปปัะคันแล้วนี่อันนี้ก็ธาตุดินนะนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุลมนี่ธาตุไฟนี่กระดูกนั้นนี่เนื้อหนังบังสั่งนะ มันไม่ใช่ของเราตลอดกาลนานนะมันวิธีไหนก็ตามให้มันถอนอุปทานได้มันต้องเอาแล้วนี่เอาเรื่องลูกทีนี้พอมันมันดูเรื่องลูกแล้วมันก็ต้องมีความจิตมันก็มีอาการของมันเนี่ยมันก็เห็นนี่เอ้านะนี่จิตของเรามันก็เดี๋ยวก็ปรุงแต่งนู่นนี่ขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวไปยึดนั่นยึดนี่เอามาเป็นทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวว่ากลัวกังวลหวั่นไหวขึ้นมาอีกแล้วแต่พวกนี้ก็เกิดดับเหมือนกันอะไม่ได้อยู่ตลอดไปเหมือนกันเอาจะมันหลงอยู่ทําไมอีกเนี่ย มันก็ค่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเอนนั้นท่านจึงบอกว่าต้องมาดูให้มันเห็นว่าขันทั้งห้านี้มันก็ทํางานไปตามธรรมชาติของมันไม่ว่ารูปประคันเวทนาขันรูปประคันตัวตัวที่ไปรู้ไปดูนี่ก็คือจิตก็คือวิญญาณมะธาตุจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่ที่มันมารู้มารู้แล้วมันก็หลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา แต่ถ้าหาว่ามันดูในขณะที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันไม่เข้าไปยืดอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นจิตมันเป็นอิสระแล้วก็ดูด้วยจิตใจที่เป็นอิสระหรือมันจึงจําเป็นต้องให้จิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราจริงทีนี้อะไรเกิดขึ้นทางจิตมันก็เห็นด้วยว่าไม่ใช่ของเราจริงเนี่ยไม่ว่าความคิดนึกปรุงแต่งไม่ว่าสังขารอะไรขึ้นมาบางกีมันก็นึกขึ้นมาแค่นึกว่าลูกเราเนี่ย ถ้าโดนรถชนมันจะเป็นยังไงบางทีมันเจ็บปวดว่าบเลยนะถ้าลูกเราตายไปมันจะเป็นยังไงอย่างนี้มันก็ใจเรามันก็ไม่สบายขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วแค่คิดเฉยๆเนี่ยมันก็กระทบจิตเราแล้ววันนั้นเราก็ต้องสอนจิตเราให้เข้าใจนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีอวิชชาเริ่มต้นไม่รู้ในทุก ไม่รู้ในเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันดับไปจากใจเราได้ไม่รู้ทางแห่งความดับทุกข์จริงๆเนาะไม่รู้ในยัตสัจฉทีนี้เรารู้ทางแล้วก็เดี๋อปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติเพื่อให้มันละอุปทานในตัวทุกข์นี้แล้วมันก็จะรู้เหตุแห่งทุกข์เ<ๆ>พราะมีอุปทานมันจึงไปอยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันมั่นคงอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการ มันก็ทวนเข้าไปหาใจเราที่มันหลงผิดกรละความหลงผิดนั้นแล้วความทุกข์มันก็จะดับไปดับไปมันก็วางเฉยได้แต่มันดับชั่วคราวจะ่ทางพรนิพพานมันก็สอดคล้องกับพระนิพพานแล้วนี่จงทั้งมันเป็นสมุดเช็ดทัปปหารคราวนี้จิตถึงนิพพานเนี่ยที่แรกนี้มันสอดคล้องกับนิพพาน ตอนหลังนิ่จิตถึงนิพพานไม่ใช่จิตเป็นนิพพานนะจิตเริ่มไปถึงถึงพันิพานไหมว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตที่ถึงพันิพานคือจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วมันไปถึงจุดจุดนั้นได้โดยที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งในจิตอีกต่อไปพอไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตก็เพราะไม่มีอุบาทานเพราะมันรู้ความจริงสูงสุดแล้วความจริงชนิดจนชนิดที่อุบาทานตั้งขึ้นมาไม่ได้เมื่ออุปาทานตั้งขึ้นมาไม่ได้ มันก็ไม่มีอะไรมาสามารถปรุงแต่งจิตขึ้นมาได้เอาวิชาก็เข้ามาไม่ได้มันเป็นวิชาไปหมดแล้วเทานี้ทุกดับแน่นอนเลยทีนี่เราพี่ผูเจ้าตัสรู้เนี่ยตัสรู้ความจริงตรงนี้เลยตรงที่จะดับทุกภายในพระไทยของพระองค์นี้แล้วกระแสของชีวิตเนี่ยเรารู้แล้วนี่ ว่าในเมื่อมีอวิชามันก็มีสังขารปุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วแล้วก็ลงมือทําทําก็มีเรามีเราก็ผักดันทําให้เราต้องไปเกิดเพราะมันมันเก็บเอาไว้ในภวังเข้าวิญญาณยังไงยังไงมันต้องมีเก็บเอาไว้เพราะมีอวิชาาแล้วมีตัวตนแล้วทําอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ต้องเก็บเอาไว้ปิดําก็ส่งผลทําให้มาเกิดเมื่อมาเกิดจำก็ให้ผลให้ผลก็มีความทุกข์ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องกระทบอารมณ์อยู่วันยังคำ่ำเมื่อกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเมื่อกระทบปั๊มันต้องมีเวทนามีผัสสาต้องมีเวทนามันเป็นกระแสของความจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเมื่อมีเวทนาเราก็ต้องมีความอยากขึ้นมาอยากให้เวทนาดแบบับหรืออยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั่นแหละ มันก็อยู่ด้วยกันนะมีตัณหาแล้วก็มีอุบาทานอุบาทานเรื่องราวก็มาอยู่ในจิตนี่คราวนี้ก็ทรุงแต่งเป็นทุกข์แล้วทีน่นี่นี้ไม่พ้นความทุกข์แน่อนอนเพรพระผู้เจ้าจึงพอที่ตัดสนุแล้วทบทวนนะอ๋ออวิชชานี้เป็นเหตุพ่อไม่รู้ในะยศาสตร์สิ่งนี้อวิชชาปัญญาสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งดีเป็นหนึ่งเชื่อแล้วก็ทําตาม ทำ ต, ตามแล้วก็เก็บเอาไว้ในผวังขจิตผวังขวิญญาจากนั้นวิญญาณก็ไปหานมามมรรูุหาร่างกายหาลูกนามเพื่อรองรับกรรมลูกนามลูกก็ต้องมีสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อรองรับกรรมเหล่านั้นเวลากระทบอารมณ์ดูซีบธรรมชาติมันต้องให้เราเป็นทุกข์จนได้ กระทบอารม์มามันต้องมีเวทนามีเวทนาก็ต้องมีตัณหามีอุปาทานมีภพและก็มีชาติมีชาติแล้วก็มีชรลามระโสกราปริเทวะวงจรแห่งทุกข์เกิดเต็มที่ในจิตแล้วในเมื่อมันมีทุกข์แล้วทางออกก็ต้องมาเจริมมัชเพื่อให้มีกําลังพอที่จะกำหนดรู้ทุกข์ นี้คือทุกให้เห็นทุกมันทุกในจิตแล้วก็ต้องมาดูเหมืนว่าความทุกในจิตนี้ก็เป็นแค่กระแสความเกิดดับเหมือนกันแล้วก็ทวนไปหาว่าเพราะมีอุปท า, านมีตัวเรานี่เองมันจึงมีทุก์ได้มันก็จะมาละอุปท า, านในขันทั้งห้าเมื่อเละอุปท า, านในขันทั้งห้าแล้วความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตบุคคลก็หมดไป สิ่งที่ะมาปรุงแต่งติตก็ไม่มีแล้วจริงกายกับใจเหมือนกับเป็นธรรมชาติไม่มีเราไม่มีตัวเราอีกต่อไปแล้วรู้ความจริงสูงสุด ก, ก็คือกล้กับใจนี้เป็นแค่กระแสธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเอาทีนี้เวลาปฏิบัติตัวใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นขึ้นมาบางทีมันก็เห็นความจริงได้สอดคล้องกับธรรมะของพระเจ้าได้ อย่างถ้าเราดูตอนนี้ร่างกายเราอยู่ยังไงมีเวทนาไหมถ้ามันวางกายวางเวทนาได้มันก็หมายเข้ามาหาจิตแล้วจิตของเราเป็นยังไงทีนี่มันมีอาการยังไงบ้างมันก็ดูจิตดูจิตแล้วมันก็เห็นว่าเป็นแค่อาการของจิตอะไรเกิดขึ้นมาก็ดับไปผ่านมาผ่านไปมันก็วางจิตวางจิตแล้วจิตก็เริ่มไม่เหมือนไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันเป็นไปตามเหตุาตามปัิจะตามธรรมชาติ เมือมันรู้ความจริงขึ้นมาชั่วคราวนี่แหละเขาเรียกว่าตทางคานิโรธความทุกข์ก็ไม่เกิดในจิตชั่วคราวแต่มันก็ตรงทางแล้ว อ, อย่างนี้เนี่ยเป็นทางออกแล้วจนมันมั น, ม, นมันปล่อยวางได้มากขึ้นมันรู้ความจริงมากขึ้นทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆอถ้าสูงสุดเลยก็คือว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้แล้วประทานได้หมดจบแล้วอันนั้นเรียกว่าถึงพานิพานแล้วเพราะนิ้นพานิาเนี่ยมันจึงมีอยู่แล้ว คอยเราปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปถึงไม่ใช่ไปสร้างมันขึ้นมานะไม่ไปอยากนะสร้างมันเดินไปให้มันถึงจึงเรียกว่าบารรลุธรรมบรรลุพระนิพพานไม่ใช่ไปเอาพระนิพพานนะหมายถึงว่ารทำปฏิบัติจนมันเข้าถึงเองเรียกว่ารู้ถึงปริพพานบารรลุพระนิพพานบารรลุธรรมบรรลุสัจธรรมทีนี้เราจะส้ำดงูงจิตใจเนโอกาสสุดท้ายแล้วนะ อะไรจะเกิดก็ตามนะเราเข้ามาหาจิตของเราเมื่อเราเข้ามาหาจิตของเราถ้าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตจิตของเราเนี่ยเหมือนกับมันตั้งมั่นสติของเรามีกำลังมันก็ทำให้จิตมั่นคงเหมือนไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตขณะนั้นมันก็เป็นแต่ทางค้นิโรดแหละเหมือนทุกดับไปชั่วราวก่อนต่ถ้ามันมีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาปับ๊บเราก็เห็นมัน มันก็ดับไปอีกนี่เรียกว่าเริ่มเห็นว่าอ๋อมันเกิดแล้วก็ดับนี่ก็คือเริ่มไม่มีอุปทานในตัวในสิ่งต่างๆที่มันประกอบกันเป็นขันห้าของเราเนี่ยมันจะมาสัญญามาแป๊บเราก็เห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับหอวมันเปลี่ยนไปสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเราทันมันมันก็จะดับไปอีกมันก็เป็นกระแสความเกิดดับเหมือนกันมันไม่มีอะไรเป็นเราได้เลย เงินไม่มีอะไรเป็นเราเนี่ยทุกก็ไม่เกิดในขนาดนั้นนี่เรียกว่ามันมีทางออกแล้วเริ่มเห็นทางแล้วยิ่งถ้ามันวางได้บ้างมันก็ยิ่งเบาในจิตถ้ามันวางข้างนอกได้เอาร่างกายรูปปัจจันท์นี่มันวางก่อนพอมันอยากเราเห็นชัดแจ้งมันวางได้เวทนาทางร่างกายก็วางได้มันก็ไม่อยากสนใจละเรื่องร่างกายก็มีอยู่อย่างนั้นแหะถ้ามันมาใหม่มันเด่นชัดก็ดูมันใหม่ ถ้ามันไม่เด่นไม่ชัดอะไรเราวางได้แล้วเราก็มาอยู่กับจิตของเราจิตของเราก็จดจอยลงที่จิตมันมีอะไรปรุงแต่งขึ้นมาเรารู้ทันมันรู้ทันมันมันก็ดับไปทั้งหมนเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเราสร้างเหตุอย่างตรงนี้ให้พอผลของมันนี่มันมันมันบรรลุถึงเองมันจะเข้าถึงผลของมันเหมือนแม่นมเพราะนั้นเวลาปฏิบัติจึงไม่ต้องอยากเราถึงไหนก็ถึงนั้นล่ะ ได้ขนาดไหนก็เอาขนาดนั้นทุกครั้งไปถ้าจิตของเรามันวางข้างนอกได้มันก็เหลือแต่จิตมันก็จอะเข้าไปหาจิตเมื่อเจอะเข้าไปให้จิตผู้รู้ก็ดูสิ่งถูกรู้เหมือนดูอย่างหนึ่งไปเข้าไปเข้าไปจนไปถึงวันใดวันหนึ่งที่มันเห็นว่าจิตไม่ใช่ของเราชนิดที่เด็ดขาดลงไปสุดท้ายต้องมาสรุปว่าจิตนี้มันไม่ใช่ของเราเด็ดขาดลงไป ก็เหลือความว่างเปล่าเหมือนจิตไม่มีมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีตรงนี้ก็เลยพูดไม่ถูกเลยก็คือจิตที่มีปัญญาโยกทั่งวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดจดวางแม้กระทั่งจิตแล้วมันก็เลยว่างจิตว่างเหมือนจิตไม่มีเหมือนไม่มีจิตมันก็เลยไม่ไปยึดอะไรข้างนอกออกเข้ามาเป็นทุกภายในจิตอีก มันจึงจิตก็ว่างข้างนอกก็เลยว่างมีเหมือนไม่มีอีต่อไปเพราะว่ามันไม่มีอุปทานในจิตไม่ไปยึดเอาสิ่งข้างนอกมาเป็นทุกข์ในจิตก็ยังมีอยู่แต่มันไม่มีสาระในจิตไม่มาทำให้จิตเป็นทุกข์มันจึงอยู่ในโลกชนิดที่ไม่มีทุกข์อีกต่อไปถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้แน่นอน ส่วนเราผู้เป็นสาวกก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าเท่านั้นเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติตามเท่านั้นให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเอาใหม่ไม่ไป็นต้องไปสร้างวิธีการใหม่เพราะเราเป็นสาวกเราต้องอาศัยได้ยินได้ฟังของพระพุทธเจา้าคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติให้ตรง แล้วก็จะมีทางออกภายในจิตของเราได้เองถ้าใครไปสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ทามันไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการผิดเพี้ยนไปแล้วหลงไปแล้วพอมีศาสดามามีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาเราเป็นสาวกแนละยังไม่ทําตามพระพุทธเจ้ายังจะไปทําตามความเห็นของตัวเองอีกมันก็เป็นเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าทําเหมือนเราตถาคตเป็นศัตรู ทำเหมือนกับว่าเป็นศัตรูกับพระองค์เลยนี่คือไม่ทําตามที่พระเจ้าบอกพระเจ้าสอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นสาวกของพระองค์ก็พยายามที่จะดําเนินชีวิตไปโดยอาศัยหลักทำคําสอนของพระองค์เป็นหลักในการดําเนินชีวิตข้อผิดพลาดบกพร่องก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาได้ในชีวิตของเราพยายามให้รู้ตัวนะ เวลาประมวลเข้ามาเป็นข้อปฏิบัติก็คือให้มีสติรู้ตัวรู้ว่าจิตเราอยู่ยังไงกายอยู่ยังไงหรือถ้ามันวางกายแล้ววางข้างนอกแล้วก็ต้องเข้ามาหาจิตมันก็ต้องดูจิตตัวเองนั่นแหละมันไม่มีอะไรดูหรอกมันก็ต้องจาะเข้ามาที่เรากําลังปฏิบัติดีนี้ก็คือเจริญมัสมัตเจริญให้ยิ่งเราก็พยายามปฏิบัติเรื่อยไปมัต ก็คือมีสติรักษาจิตใจของลราเนี่ยพูดถึงสภาวะธรรมแล้วแล้วพยายามให้จิตของเราเนี่ยมันตื่นอยู่ข้างในให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อตื่นตัวแล้วก็ต้องมาให้มันรู้แจ้งในขันธ์ทั้งห้านี้ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นเองก็คือในเมื่อจิตมันเป็นสมาธิก่อน เมื่อเป็นสมาธิแล้วจิตเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วมันเป็นตัวของตัวเองแล้วไม่มีอะไรครอบงำจิตได้ใจมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกับเห็นเห็นด้วยจิตก็คือรับรู้นั่นแหละแต่รับรู้เหมือนกับว่าจิตมันไปรู้จิตรู้ก็เลยเหมือนจิตเห็นหรือบางทีก็เห็นเหมือนมโนภาพขึ้นมา ก, ก็ได้เห็นเหมือนตาเห็นก็ได้หรือเห็นในความรู้สึกว่าอ้ยอันนั้นมันอยู่ข้างมันนะ ไม่ใช่ของเรานะมันก็วางได้เมื่อวางได้นี่คือมันปล่อยวางได้มันรับประทานได้ทำทั้งห้าก็ไม่ก่อเกิดเป็นทุกข์ในจิตมันก็เป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันหรือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเนี่ยมันก็จะมาที่การปฏิบัติแล้วก็รู้ขึ้นในจิตจิตก็จะวางได้เอง โดยธรรมชาติก็ทุกก็ไม่เกิดในจิตทุกหลับไปจากจิตก็เร็วเป็นนิโรธก็ทําให้นิโรธเนี่ยมันแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นยิ่งถ้เป็นสมุเดเฉตสมุเดเฉตในที่นี้ก็คือว่ามันเด็ดขาดแล้วมันเด็ดขาดก็คือรู้ความจริงสูงสุดแล้วไม่มีอุปท า, านในคำทั้งห้าแล้ว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถปรุงแต่งกิตได้แล้วเพราะไม่มีตัวเราแล้วมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยของเป็นการทำงานของขันห้าไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเท่านั้นนี่มันก็เลยวางเฉยได้มันก็ปล่อยวางได้นี่คว่าถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานเนี่ยมันจึงรู้ว่าี่จริงชีวิตไม่ได้มีอะไรเลย มันก็เกิดแต่มีแต่เรื่องราวที่ปลุงแต่งกันขึ้นมาเพราะความหลงผิดความรุ่มหลงอยู่ในจิตถ้าไม่มีความหลงผิดแล้วก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเรื่องราวอะไรก็ไม่มากก็รอวันเวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเท่านั้นเองเหมือนกับว่าเราเกิดมาเพื่อแสวงหาทางออกจากทุกข์ ผลจากการเยี่ยนไหวใจปกดนี้เท่านั้นเนี่ยมันจะมาที่ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนไม่มีอะไรเลยะที่มันเคยมีเคยมีความสําคัญเป็นเพราะเราให้ความสําคัญมันหมายเพราะเรามีอุปทานก็สําคัญมั่นหมายมีความสําคัญขึ้นมามีความสําคัญก็มีผลต่อจิตเรามากมีความสําคัญมากมีผลต่อจิตมากเพราะความหลงผิดมากว่าถ้ารู้แล้วมันก็ ความต้งกามั่นหมายก็ไม่มีก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยควรทํำยังไงก็ทําไปเหมือนกันรอวันเวลาที่เราก็ไปตามธรรมชาติเท่า น, นั้นเองเราะมันก็จบเพราะฉะนั้นพระพุทเจ้าจริงตัศรู้แล้วพระองค์ก็สรุปพอรู้ว่ากระแสความทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ในจิตใจแต่พอมีข้อปฏิบัติแล้วรู้ความจริงสูงสุดแล้วถึงพระนิพพานได้ มันจึงมีกระแสะของการปรุงแต่งขึ้นมากับกระแสะอันหนึ่งก็คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้มันก็มาที่ตรงนี้มาบรรจบกันแล้วทีนี้ด้านหนึ่งนั้นก็เป็นวิสังขารด้านหนึ่งเป็นสังขารสังขารก็ปรุงแต่งโลกทั้งโลกให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนู่นเป็นนี่ได้พอถึงวิสังขารแล้วก็หมดการปรุงแต่งก็จบเพราะถ้าใครรู้สองด้านนี้เรื่องราวของชีวิต ก็จบลงตรงนี้เมื่อจบลงแล้วก็ต่อไปก็มันก็มีรายละเอียดลงไปขึ้นอยู่กับว่าเออเราเข้าถึงความละเอียดของธรรมชาติได้มากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนไปเอาเตรียมตัวดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะให้ดูสุดท้ายแล้วเหมือนกับดูเพื่อล่าลาพระพุทธเจ้าก็ได้ พอเราปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับมาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพอเรายังมายังสถานที่ที่พระองค์ตรัสรูธ้ธรรมมันมันถึงพระ อ, องค์จะปรี้ยนนิพพานไปแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามเนี่ยมันเหมือนกับพระองค์ยังอยู่การที่เราเราปฏิบัติแล้ว มันมีธรรมะเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว <const> ่าสิ่งที่พระเจ้าสอนน่ะมันยังอยู่มันสดสดร้อนร้อนน่ะเหมือนกับมีพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราอย่างนั้นแหละเหมือนพระองค์นี่ประทับอยู่ในใจเราอ่ะเพรานั้นพูดกับพระองค์ก็คือพูดกับธรรมะของพระองค์นั่นแหละก็คือพูดกับธรรมะที่เกิดกับเราแต่พระองค์ก็เริ่มใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแล้วธรรมะก็เริ่มใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแล้ว ยกการปฏิบัติของเราขึ้นเลยให้การปฏิบัตินี้แหละเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะพยายามตั้งใจจะพิสปิบัติตามคำสอนของหลวงให้ยิ่งยิ่งขึ้น่อจนกว่าจะพ้นจากทุกในวัฏฏะสูต ร, รบรรลุตามพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งความปรารถนาด้วยเพราะพ่อข้าเจ้าก็ตั้งความปรารถนาเหมือนกันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งทางตลอดในอาริยสัจฐาจนพ้นจากทุกในวัฏสงสารชิงพระนิพพานด้วยคแล้วจากนั้นก็ตั้งเจอุทิศบุญให้อที่บุญเองเลยนะอ่าววันนี้พอแค่นี้นะ